รอรักจึงยอมทุกอย่างเระคิดว่ายังเข้าใจข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนลวงค้า <ไว S 2> เอาเงินประกันยงยงออมล่เ ม่คห <le>, นุ่มใหญ่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิดติดพันผู้ช่วยนางพยาบาลจนตกลงแต่งงานกันท่างที่ฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวอยู่แล้วและก็แสนรักขนาดจะช่วยให้ได้ไปทำงานต่างประเทศแถมให้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิตของตนหลายฉบับรวมมูลค่าถึง5ล้านบา ท, บาทอีกด้วยแต่ย <อ refreshing S 1> ตัองอุตส่าห์โดนทรยศฝ่ายหญิงรวมหัวกับพวก ลวงค่าโหดหวังเงินประกันได้ลงคอช่างใจไม้ส่รกรรมอย่างน่าแปลกผิดมนุษย์ปนาเสียจริงๆใจในนามของความโลภไม่มีเรื่องใดน่าแปลกใจเลยโดยเฉพาะความโลภที่แรงเหมือนน้ำเชี่ยว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 อาจกลายเป็นกดดันให้เขาโลภขนาดลืมความเป็นคนเอาง่ายๆก็ได้สุดท้ายคือจเอ จ, จ็บเจ็ยเจ็บปวดโดนเธอทำเจับฉันจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทงลายเจ็บเสียคน อ่อนจจการจอถือคนบางคนมีผลกือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงและร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบมีรออยู่แล้วลาล งคงรู้ว่าเป็นยังไงเพราะรักจึงยอมไว้ใจ